วันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะที่ครอบรอบเวนมาถึงในวันอาสาระหะปุรณะมีบูชาคํ า, า, า, าว่าอาสารหะก็แปลว่าตรงกับวันขึ้นสนะิบห้าค่ําเดือนแปดในวันอสารหะในวัน <c oughs> เดือนอสัระหะมาศนั่นเองก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนั้นซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อพระองค์ได้ตัอสรู้ใต้ต้นประสีมหาโพแล้วก็สวยวิตมิมติสุขนอยู่ทั้ง49ถึงวันมีความสุขมากในความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตของพระองค์ละไม่ปรารบที่จะสั่งสอนณผู้ใดเพราะว่าเห็นว่าทรมันละเอียดสกุมนี้คงจะมีผู้ที่จะรู้เห็นตามได้ยาก แต่เมื่อเท้ามาหาพรมเนี่ยนะสัมบดีพรมก็ได้มาทูลรัตนาให้พระองค์ได้เทศโปรดสอนพเพื่อประโยชน์แก่บุสั์พระองค์ก็ทรงระลึกไปถึงท่านอาราดาบอุธกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งสองแต่ว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วเข้าสู่ในพรหมโลกเข้ารู ป, ปรชาญารูปรชาญเป็นรูปประรมกับรูปประพมไม่รับรู้ใน อารมณ์มันอื่นใดเลยนอกจากสวยความสุขนะความสงบนะอย่างเดียวไม่มีอยตนะที่จะมารับฟังสิ่งใดจึงไม่สามารถที่จะสอนได้นันลึกไปถึงพระปัญจวคคีทั้งห้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าปัญจวัคีทั้ง5นี้มีคุณธรรมในจิตใจพร้อมที่จะรับธรรมะได้ ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้านะพระองค์ก็ส่งดําเนินไปนะถึงปลายสี่ปัตน้ำรักรนะไทยวรรนั่นนะ่ะก่อนจะถึงก็ไปถึงที่เจ้าคันดีสถูบ ป, ปัญจั๊บกีทั้งห้านั้นก็เห็นว่านาะสมณะโคโด ม, มานี่ต้องการให้เาเราเราับใช้อีกจึงได้หลีกลบไปที่ปายสี่ปัตน้ำรักระไทยวรรพพระเจ้าของเราก็ตามไปนะตามไปที่นั่น บรรพัิคทั้ง5้หรือพ่อบรราพักวิคีทั้งหนี้ก็นัดแนะกันว่านะเมื่อสมณะโคโดมมาแล้วท่านจะนั่งก็ให้ท่านนั่งนะเพราะก็เริ่มใส่ศรัทธาท่านมานานแต่ว่าเราก็จะไม่ทําความเคารพอะไรมากมายทํำอนองนั้นนะไม่ลุกลับนะแต่ว่ามีน้ําไว้ถ้าท่านจะดื่มก็ดื่มนะแต่เมื่อตั้งกติกาฑไว้อย่างนั้น เมื่อพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วก็ลืมลืมกฎิกาฑที่ตั้งกันไว้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าจิตใจที่ถึงพร้อมที่จะได้รับฟังธรรมะที่จะได้เห็นธรรมบรูธ้ธรรมอีกไม่นานนั่นแหละนะเมื่อพุทธเจ้าของเราอ่ะท่านได้นั่งในอาสนะมองดูพระปัญจวัคคีย์ก็ยังมีความกระด้างกระเดืองอยู่นะยังไม่เคารพเลื่อมใสนะในพระองค์พองค์ยังได้ตัดเป็นมัทรวดวจาว่า นะดูก่อนพระปัญจพกีทั้ง5้านะเหล่านีนะ้ได้สําเร็จแล้วได้บรรลุธรรมแล้วนะคํานี้เราเคยได้พูดกับเธอไหมปัญจพกีทั้ง5ก็เอคํานี้พระพุทธเจ้ายังไม่เคยเลยที่จะปารฏออกมาว่าพระองค์ได้สําเร็จแล้วเมื่อพระองค์ได้พูดอย่างนีนะ้ถ้าเกิดว่าท่านจะตัดทำนะก็เราก็ควรจะได้รับฟังก่อน พระรัจจากล่าวว่าเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังนะขอให้เธอนั้นตจงได้ตั้งใจฟังให้ดีท่านพระ ญ, ญาโกทัญญะก็ตั้งใจฟังธรรมะพระเจ้าก็เทศนะในใจความว่ายังกินจิตสมุทัยธรร ม, มังสพันตังนิโรธาธรรมมันติเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวล น, นั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา นะสิ่งได้สิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยจะเป็นรูปนะจะเป็นรูปเป็นนามถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาหาความเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้นั่นเองคือพระเจ้าประเทศถึงแก่นของธรรมะท่านพญากนัญญาก็รับฟังและพิจารณาตามก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะก็คือใจนั้นก็ได้ เห็นธรรมะที่แท้จริงแล้วว่ารูปนามเท่านั้นน่ะที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแลวก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้ก็เลยว่าได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเป็นประสงค์องค์แรกในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเดังในวันอสนหะพลันามีบูชาในสมัยพุทธกาลนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกนั้นจึงเกิดพระรัตนตรัย ทั้งสมครบแล้วในโลกคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและก็พระสังฆรัตนะนะพระพุทธเจ้าจึงได้เป่งนะวาจาว่าัญญาสิวัตะโพโกทัิโยัญญาสิวัตะโพโกโธธิโยนะว่าโกทัญญะรู้แล้วหนอโกทัญญารู้แล้วหนอนะโกทัญญารู้แล้วหนอนี่ก็คือจิตใจของท่านพระญากโกธัญญะนั้นก็รู้แล้ว พระโกทัญญะก็ได้เริ่มมีชื่อเติมมาเป็นพระอัญญาโกทัญญามาตั้งแต่ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธเกิดมาพบกับพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้ามาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาเราก็ปฏิบัติตามคำสอนนของพระพุทธเจ้าคือการให้ทานสมาทานศีนลในการปฏิบัตินะธรรมะ การปฏิบัติทางจิตใจเช่นว่าการนั่งสมาธิโดยมีอารมณ์ของกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์คําว่ากรรมฐานนั้นนะกรรมะก็แปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งนีก็คือการกระทําที่มีมีที่ตั้งแห่งอารมณ์ที่จะให้เกิดความสงบเรียกว่ากรรมฐานซึ่งกรรมฐานนี้ก็มีด้ยวยกันถึง40่สิบกองตั้งแต่ว่าอนาปานสติกรรมฐาน พุทธานุสติธรรมมาสังการนุสติอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจของเราเนี่ยเราต้องการพัฒนาใจให้สูงขึ้นหรือดีขึ้นนีว่าเรามาภาวนาคือการทำให้มีความเจริญขึ้นไปนะเมื่อเราภาวนาแล้วจะทำใจให้เจริญขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมาฐานเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือคาว่าพุทธนะพุทธนะ พุทธพุทธังก็ได้มีหลวงปูค่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บริกรรมภาวนาไม่เหมือนใครบริกรรมภาวนาว่าพุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังคังสระนังกระฉามิเราดูเหมือนกับว่าจะยาวเกินไปแต่ของท่านแล้วเมื่อบริกรรมภาวนาว่าพุทธังสระนังกระฉามิจิตก็สงบรวมตัวลงได้เป็นสมาธิแนะก็เป็นอารมณ์กรรมฐานของท่านหรือว่าพุทธโธนี้เป็นอารมณ์กรรมฐาน เราภ า, าวนาพุโทโธแล้วสงบนะเราก็ใช้พุโทโธเป็นอารมณ์กรรมฐานของใจของเราหรือถ้าเรารู้สึกว่าคําว่าพุท ธ, ธะเรามีความทราบซึ้งนะคือผู้รู้เหมือนกันนะผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุโทโธพุท ธ, ธะก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละเราก็จิตสงบได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมีสติดูที่จิตของเร า, ามีความคิดนึกอะไรพยายามนะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของจิตของเราของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันจนจิตของเรามันก็นิ่งสงบได้นะก็เป็นอารมณ์ของใจของเราที่เราจะเพ่งดูหรือทำใจของเราให้ว่างนั่นเองการทำใจของเราให้ว่างก็เป็นกรรมฐานปะการหนึ่งว่าอุปมานุสติก ร, รมฐานนะการที่ระลึกถึงนะพันธิพัณ น, นี้เป็นอารมณ์วันลิพา น, นังนิพา น, นังอย่างนี้ เป็นตน้นนเป็อารมณ์แล้วเราจะดูจิตแล้วก็ทําจิตของเราให้มันว่างจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมามาอยู่ในใจของเราเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เช่นในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระโอษพทธเจ้าจะได้ปรินิพานนั่นแหละนะท่านพสุพัทธะท่านก็ได้พิจารณาถึงเมฆหมอกที่มาบังใจของท่านนะเห็นเมฆหมอกที่บังดวงพระจันทะร์นั่นแหละมันเคลื่อนไปแล้วพระจันทร์ก็ยังสว่างเหมือนเดิม เหมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่ออารมณ์มันดับไปแล้วใจก็จะสว่างเหมือนเดิมเห็นความเกิดดับชัดแจ้งท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันตะ์ในรูปสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันปณิพนิพานนี่ก็เรียกว่าท่านก็พิจารณาในใจของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีอารมณ์กรรมฐานนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์แล้วเราก็พยายามปฏิบัติเมื่อเราพยายามปฏิบัติในอารมณ์กรรมฐานนั้นจนจิตของเรา นะตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมัน่นสติแปลว่าความระลึกได้สัมผชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเมื่อเราเนี่ยตั้งสติเอาไว้ในองค์กรกรรมฐานแล้วจิตใจของเราก็มีความสงบเข้ามาได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าคณิกาสมาธิคณิกานี้แปลว่าเล็กน้อยนะสมาธนะิที่ตั้งมัน่น ได้เล็กน้อยเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่นานนะสมาธินี้มันก็หมดไปนะอยู่ระยะสั้นนะเพียงได้ชั่ววูบเท่า น, นั้นเองอาจจะมีขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลกายขยายใหญ่กายเบาขึ้นมาก็ได้เกิดปิติซาบซ่านไปทั้งร่างกายนี่ก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิก็สามารถกำหนดนิมิตนะได้ขึ้นมาบ้างได้ั่วข่าวนิมิตนั้นตั้งอยู่ได้ไม่นาน แต่เมื่อเราได้เพียรพยายามปฏิบัติอย่างนี้ไ ป, ไปบ่อยๆเข้าคณิกะสมาธินี้เกิดได้บ่อยเข้าเมื่อเราจะระลึกนึกถึงกรรมาฐานที่เราภาวนาในขนาดใดก็ตามสามารถทำจิตให้สงบขึ้นมาเป็นคณิกาสมาธิได้เมื่อจิตของเราหนาะมีความโลบก็กำหนดข้ามาให้เกิดสมาธิมีความโกรธมีความหลงเราก็ระลึกมาถึงในะสมาธินี้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิได้ เมื่อเราระ ล, ลึกถึงคณิกาสมาธินี้เป็นอารมณ์ได้ไบ่อยๆในกรรมฐานแล้วอุปจารสมาธิอุปจายก็แปลว่าใกลนะ้ใกล้กับความสงบกายจะเบาจิตจะเบาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่มก็สงบขึ้นมาได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องประคองจิตนะสํารวมระวังให้มากทีเดียวนะเมื่อเราได้คณิกาสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นได้โชคเข้าแล้วก็ตามเนี่ยแต่เมื่อสมาธินี้หายไป เมื่อตาเห็นโลบหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องผั้งปพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาได้นะเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นมาได้อีกนะแต่เมื่อเรากําหนดพิจารณาไปสมาธิก็ตั้งมั่นได้อีกเนี่ยว่าเมื่อเราเดินมักนะกิเลสมันก็ดับไปแต่เมื่อมักมาได้เดินกิเลสมันก็เดินขึ้นมาอีกเราก็ต้องระมัดระวังในใจของเราเลว่ามีสติตามตัจิตนักษาจิตของเราอยู่เสมอ แล้วเมื่อคติกาสมาธินี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วการนั่งสมาธิของเรานี่สมาธิจะเลือกซึ้งเข้าไปเป็นอุปจารสมาธิคือกายจะเบาจิตจะเบาขึ้นมาได้นากายเบาจิตเบาควรแก่การงานเราก็มาพิจรารณากายก้อนนี้เนี่ยให้เห็นเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่าวิปัสนาวิปัสสนะก็แปลว่าทําให้แจ้ง การทำใจของเราให้รู้แจ้งในธรรมะได้เดีกว่าวิปัสสนาเนี่นะเราก็กำหนดพิจารณาอดิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอารมณ์เมื่อสมาธิเราตั้งมัน่นเขามาพิจารณากายก้อนนี้เป็นอารมณ์ว่ากายก้อนนี้ไม่เที่ยงเป็นอดิจังทุกขังอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เมื่อเราพิจารณาได้ครั้งหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งเลยว่าเป็นตระทางเข้าให้หมดหลุดพ้นด้วยชั่วข่าวาจากอกองกิเลสที่มีอยู่ เมื่อเราพิจารณาได้บ่อยๆนะเราก็หลุดพ้นได้บ่อยๆเมื่อหลุดพ้นได้บ่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วศินกระตั้งมั่นมากขึ้นก็หมุนเป็นสินสมาธินั่นก็ปัญญาในอริยบทธรรมดาก็ตามรักษาจิตรู้จิตของเราอยู่เสมอสมาธินี้ก็ตั้งมั่นขึ้นถ้าสมาธินี้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วแม้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ก็าตามนะสมาธิจะตั้งมัน่น <c oughs> อยู่ในอุปจารสมาธิได้ทีเดียว กายจะเบาจิตจะเบาได้ทั้งวันนี่จะรักษาได้เป็นเดือนๆก็เกิดขึ้นแห่งความสงบได้แต่ก็เรียกว่าคมกิเลสไว้ยังไม่ได้สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจิตทะพานได้สักกายะทิฏฐิวิจิกิจช้าสิรปตะปรมาต์เรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสเป็นสังโยชน่ร้อยรัดจิตใจของพวกเราอยู่นั้นมันนมนานนั่นแหละนะแต่เมื่อเราเยพยายามเดินมากมาแล้วก็จะละสักกายะทิฏฐิวิจิกิจชาธธธธธธ้าสิรปตะปรมาต์ได้ สักยติติคือความเห็นที่ว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือเรานีนของเราเนี่แหละนาะมพระพันธ์พระัญโกรธัญญะนี่ท่านเรียกว่ากิเลสท่านมันเหนือบางแล้วนะเพราะสร้างบา ร, รมีมาเพื่อปัถนาเป็นพระอสิติสาวกนะของพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นผู้เลิศที่เดียวแลนะเป็นผู้ที่จะสามารถตัดสรุธรรมะเห็นธรรมก่อนใครด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าพูดตัดเพียงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาเท่านี้เองท่านพิจารณาแล้วนะก็เห็นธรรมได้พอในพระปัญจวัคคีย์เนี่ยทั้ง5เนี่ยทั้ง5องค์นี้สาคัญมากทีเดียวสําคัญอย่างไรเพราะเมื่อพระพรัญญาโกรธัญญาได้เห็นธรรมแล้วมันต่อๆมานะท่านบ๊อบป่ามานามะพัทธิยะพระสินะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามมาด้วย เมื่อเด่ดวงตายหิ่งทำแล้วพระพุทธเจ้าตัดสอนอนัตตลัคนาสูตรสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาคือพระพุทธเจ้าถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาณนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะพระปัญญพุทธคีตตอบว่าไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญญพุทธคีก็ตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นันมีความเสื่อมเป็นธรรมดานี้จะเป็นตัวตนของเราได้ไหมนะท่านทั้งหนะองค์พิจารณาแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลย ทพระพุทธเจ้าเทศอนัตตลัคนาสูตรนี่เมันีเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวว่า พ, พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5้านี้นะพระท่านพระสัจจเถระนี้นะก็เป็นผู้สอนภาษาได้บทได้ดวงตาเห็นธรรมภาษาได้บทบอกธรรมะ ก, กับท่านพระมหมาโคระนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมะเสนาบดีาฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศกันแรกนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านพระัญญาโกรธัญญานี้เข้าอยู่ในข่ยพยานของท่านพระพุทธเจ้ามาท่านจะไปเทศไปปวดไปสอนใครก็ตามนี่นะต อ, อนเช้ารุ่งอรุณเนี่ยพระพุทธเจ้านะพระองค์จะทรงนะใช้ยานใช้ยานพิจารณาว่ามีบุคคลใดบ้างที่อยู่ในข่ยพยานของพระองค์ที่พระองค์จะไปเทศสอนเมื่อพระองค์ไปเทศสอนแล้วก็จะได้ผลทีเดียวบุคคลนั้นก็จะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกท า, าคามีเป็นพระนาคามีหรือสําเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวนะเพราะว่าทนะ่านเหล่านั้นได้ปรารถนาปรารถนามาเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะแล้วจะได้เห็นธรรมะหรือสําเร็จเมื่อได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านั้นเนี่ว่าเป็นพุทธเวไนยต้องพระบุตรเจ้าสอนพระองค์เดียวถึงจะเห็นธรรมะหรือสําเร็จได้ สาวกจะไปสอนให้สําเร็จให้เห็นธรรมะไม่ได้นะอย่างท่านจุลบรรทกเหมือนกันท่านกรปัตรถนามาที่เจ้าพุทธเจ้านี่เทศสอนท่านดูแล้วเนี่ยท่านท่องคาถาเนี่ยเนี่ยเพียงสี่บาทนี่ท่องไปได้ความจําของท่านก็จํำไม่ได้เออจําไม่ได้มหาบรรทกพี่ชายของท่านก็เลยว่าให้น้องชายของท่านเนี่ยศึกไปซะดีกว่าเพราะว่าบวชไปแล้วท่องคาถาสี่บาทก็ท่องไปได้ความจําไม่ดีเลยนะท่านก็ จะเตรียมไปลาศึกเหมือนกันน่ะแต่ว่าพุทธเจ้าก็เห็นว่าท่า น, นะเข้าอยู่ในไข่ยพยานที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไปโปรดไปสอนโดยให้ผ้าขาวเผือหนึ่งให้ท่านบริกรรมภาวนาว่าราชูหรนังราชังหรติผ้าขาวนี้เปื้อนทุลีผ้าขาวนี้เปื้อนทุลีผ้าขาวขาวนี่แหละนะแต่เมื่อท่านขยําไปขยำไปปรดีเข้าสมาธิเข้าอยู่ในฌานนะออกมาแล้วพุทธเจ้าก็นเลยนะ อธิษฐานหรือวันนิมิตให้ผ้านั้นเป็นผ้าที่สีดําท่านออกจากฌานมาแล้วโอ้ผ้านี้เมื่อกี้ขาวบริสุทธิ์มากทีเดียวแต่ตอนนี้ทําไมเปลี่ยนสีได้ขนาดนี้นะเนียกว่าเป็นผ้าที่มันเปื้อนธุรีร่างกายนี้มันเป็นของไม่สวยไม่ ง, งามจริงๆท่านก็ยังลงสูว่วิปัสสนาเท่านั้นเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวเป็นผู้เลิศมากสามารถแบ่งกายของท่านได้เป็นลอะห้าร้อยองค์ก็ได้นะ่อยู่ในวัดนะ เรียกว่าเป็นผู้ที่เลิศนะที่สําคัญด้านหนึ่งของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้กระวัตรว่าท่านปรารถนามาเฉพาะพระพุทธเจ้าจะเทศสอนเฉะนั้นเมพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งยานไปว่าใครจะอยู่ในข่ายพยานบ้างก็เห็นว่าท่านพระัญญาโกทัญญา น, นี้แหละนะนะองค์แรกที่อยู่ในข่ายพยานพระองค์ก็เลยเทศโปรดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาณนะท่านพระัญญาโกทัญญาก็ได้ด ว, ดวงตาเห็นธรรมะ ดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ครอบรอบเป็นวันสําคัญในทางบูรพศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ธทรมเิสนาครั้งแรกเรียกว่าแสดงธรรมจักรกับประพันธสูตรนปัยสีปันน์มฤรคไายวันอย่างพระอัญญากดัญญาพระสงฆ์รูปแรกให้เดดดวงตาเห็นธรรมพระรัตน์ตายเกิดขึ้นแล้วในโลกครบทั้งสามมรนคพวกเราก็จะได้มาทําบุญโูชาพระพุทธเจ้า บูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าในสมัยพุทธกาลนั่นแนหะที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะแล้วพระท่านพระโยค อ, ญญโอัญญากตทิญญะก็ได้สําเร็จเมื่อเราทราบแล้วแล้วก็มาปฏิบัติตามสิมาพิจารณาปฏิบัติตามตามจิตของเราให้มีอารมณ์วัตกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์มีเป็นคําบริกรรมภาวนาก็ได้นะ่ะที่บ่าพุโทโธพุทธพุทธังเป็นอารมณ์นะหรือว่าทำมังสังขังเป็นอารมณ์ โดยจนติพานนังเป็นอารมณ์ก็ไดใ้ใจของเราสงบรวมเข้ามาเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ให้มาพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกขึ้นสูยปเสนานั่นเองใจของเราก็จะรู้แจ้งก็จะได้เห็นธรรมะตามท่านพระั ญ, ญโกรธัญญาพสวงศสาวกรูปแรกของพระศาสนาดัางทีเทตมาได้บรรยายมาคอยย่าโยมนั้นนําไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนนี้